นักบวชคนใดคนหนึ่งอยู่ในละที่ปริภาชกยกเว้นภิกษุและสัมมาเนนที่ชื่อว่าปริภาชิกาได้แก่นักบวชหญิงคนใดคนหนึ่งนับเนื่องในละที่ปริภาชกยกเว้นภิกษุณีศิกขมานาและสัมเนรีที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะห้าอย่างน้ำและไม้ชําระฟันนอกนั้นชื่อว่าของเคียวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะห้าอย่างคือข้าวสุก ข, ขนมสด ข้าวตูปลาเนื้อคำว่าให้คือภิกษุให้ด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยโวยนให้ต้องอบัดปาจิตตี